สองปวัตติวาน 2. นิโรธวาน 1. นปัจจุบั น, นวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโรมบุคคลหนอึอนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดกําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและเวทนาขันก็กำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดกำลังดับรูปขันของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมปิจาชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกาลังดับ แต่รูปขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและรูปขันก็กําลังดับอนุลมโอกาส105อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดกําลังดับเวทนาขันในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิ่สัชนาในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิในภูมินั้นรูปขันกําลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังดับ ในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันกําลังดับและเวทนาขันก็กําลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดกําลังดับรูปขันในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันกําลังดับแต่รูปขันไม่ใช่กําลังดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันกําลังดับและรูปขันก็กําลังดับ อนุโลมบุ ค, คโลกาศหนึอนุโลมปุตฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับเวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจัรณาบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุติจาก ปัญจโวการะูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและเวทนาขันก็กำลังดับปติโลมปุจชาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกํกำลังดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุดตีจากอรูปประภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่รูปขันไม่ใช่กาลังดับ บุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและรูปขันก็กําลังดับปัจจินีกับบุคคล107อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากอารู ป, ปรภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่าน erm ั pues scheint, right? nope. ้นไม่ใช่กําลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโรมปุจฉั่เวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังจุดติจากอสัญญสัตตภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่รูปขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปขันก็ไม่ใช่กําลังดับปัจจีนิกโอกาส108อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหม วิจัชนากําลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับรูปขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนากําลังดับปัจจณีกับปุคโลกาหนึ่อนุโรมปุจฉารูป ข, นขั น, น, ปขนของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กำลังจุติจากอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ รูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิทัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่รูปขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปขันก็ไม่ใช่กําลังดับ สองีอ ต, ตวาลว่าด้วยสภาวัธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล110อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุลม์โอกาส11เอนุลม์ปุจฉารูปขันในภูมิใดเคยดับเวทนาขันในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัิชนาในอสัญยศตภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยดับแต่เวทนาขันไม่เคยดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยดับและเวทนาขันก็เคยดับปฏิโลมปุจฉา เวทนาขันในภูมิใดเคยดับรูปขันในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจตัชนาในอรูปประภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยดับแต่รูปขันไม่เคยดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยดับและรูปขันก็เคยดับอนุโลมปุก ค, คโลกาศหนอสิอนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิทัศนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่เวทนาขันไม่เคยดับบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและเวทนาขันก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ รูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปขันไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปขันก็เคยดับปัจจณีกับบุคคล113 อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจนีกโอกาส114ออนุโลมปุจฉา รูปขันในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่เคยดับรูปขันในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปัจจนีกับปุขละโอกาส115อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ เวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิทัศนาบุคคลผู้บัตรอยู่ใ น, ในรูปประภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมนั้นไม่เคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมนั้นไม่เคยดับและเวทนาขันก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปขันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปขันก็ไม่เคยดับ สามอนาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล116อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนา ฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรู ป, ประภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปขันก็จักดับอนุโลมโอกาตอสิบเอนุโลมปุจฉา รูปขันในภูมิใดจักดับเวทนาขันในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันจักดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดจักดับรูปขันในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิ ในภูมินั้นเวทนาขันจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจักดับและรูปขันก็จักดับอนุโลมปุก ค, คโลกาด18อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิตชัชชา บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้บัตยู่ในรูปประภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักดับบุคคลผู้บัตยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักะดับและรูปขันก็จักดับปัจจณีกับบุคคล119ออนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ เวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพานกําลังจุติรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชนาใช่ปัจจณีกโอกาหนึ่รูปขันในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาจักดับ ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิทัชนาจักดับปัจจณีกับบุคลโอกาตหนึอสิบเอนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิทัศนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้ ก, กําลังปรินิพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิทัชชา บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่ใช่จักดับ 4. ปัจจุปนนาตีตะวนันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล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 เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่รูปขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปขันก็กำลังดับ 123. อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดกำลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิัชรณะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิ สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและเวทนาขันก็กําลังดับอนุโลมโอกาส124อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดกําลังดับเวทนาขันในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิสัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันกําลังดับแต่เวทนาขันไม่เคยดับในปัญจโวการาภูมิ ในภูมินั้นรูปขันกําลังดับและเวทนาขันก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดเคยดับรูปขันในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในรูปประภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยดับแต่รูปขันไม่ใช่กําลังดับในปัญจโวการะภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยดับและรูปขันก็กําลังดับ 125อยนุโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดกำลังดับสัญญาขันในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันในภูมิใดเคยดับเวทนาขันในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิทัชนาใช่อนุโลมปุกคโลกา1 2ึยสิบอนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่เวทนาขันไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น กำลังดับและเวทนาขันก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวกาลภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปขันไม่ใช่กาลังดับ บุคคลผู้กำลังจุดติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปขันก็กำลังดับ 127. อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่สัญญาขันไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้กําลังจุดติจากจตโวการภูมิและปัญจโวการะภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและสัญญาขันก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันของบุคลบคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหม วิสัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุดติจากจตุโวการภูม yes. ิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและเวทนาขันก็กําลังดับปัจจีนิกับบุคคล128 อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มี129อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับ สัญญาขันของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกัโอกาส1นึ่งรูปขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับขอข้อที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใด พึ่งทำให้บริบูรณ์ปจณจีกับปุก ค, คโลกา131อสอนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติ ในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและเวทนาขันก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปขันไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังดับ 132. อมนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิดยไม่ใช่กำลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สัญญาขันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและสัญญาขันก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉา สัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่กําลังดับ 5. ปัจจุปั น, นาคตะวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล133อนุโลมปุจจารูปขันของบุคคลใดกําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุดติจากปัญจโวการภูมิและอสัญญัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหม วิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้กําลังจุติจากอรู ป, ประภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปขันก็กําลังดับหนึออนุโลมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดกำลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและสัญญาขันก็จักดับ ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจชะนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและเวทนาขันก็กำลังดับอนุโลมโอกาส135อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดกำลังดับเป็นต้นละอนุโลมปุกคโลกาหนอสอนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กําลังจุดติจากอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นกําลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิโดมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิัาชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรู ป, ปรภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่รูปขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับและรูปขันก็กำลังดับ137อมนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมวิตนะัชชาบุคคลผู้กาลังปรินิพาน เว e like ทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุดติจากจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและสัญญาขันก็จักดับปฏิรมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังดับใช่ไหม วิจตชนะบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติ จ, จากจตุโวการภูมิและปัญโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็กำลังดับปัจจนีกับบุคคลหนอนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิตติชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้กําลังจุติจากอรูปประภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในอรูปประภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่จากดับ ปฏิโลมปุจชาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้กำลังปริญิพานในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในอรู ป, ปภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังดับ1นึ่รอมนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนะจักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ เวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะกำกลังดับใช่ไหมวิตัชนะกำลังดับปัจจณีกับโอกาส1่สิอนุรมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละปัจจณีกับปุคคโลกา141อสี่สอนุรมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับเวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจตชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรู ป, ปรภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่เวทนาขันมิใช่จักไม่ดับ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 บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวโการภูมิและบุคคลผู้กำลังจุดติจากอสัญญาสตัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในอรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสตัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังดับ 142อนุรมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตวโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสัญญาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิตัชณาบุคคลผู้กำลังปรินิพาน สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังดับ 6. ออตีตานาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต อนุโลมบุคคล143อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้รูปขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและเวทนาขันก็จักดับ ปฏิโลมปุชชาเวทนาขันของบุคคลใดจักดับรูปขันของบุคคล น, นั้นก็เคยดับใช่ไหมวิทัชนาใช่ 144. อนุโลมปุชชาเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับสัญญาขันของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ แต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสัญญาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส145อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดเคยดับ ละอนุโลมปุกคโลกาหนึ่อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจวการะภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหม วิจัชนะบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้บัตยู่ในรู ป, ปรภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็เคยดับหนึอนุลมปุจจา เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้กําลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จ okay ักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตดอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสัญญาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉา สัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิตตจชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็เคยดับปัจจณีกับบุคคล หนึอนุโ่มิปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิทัชนาไม่มีปฏิลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิทัชนาเคยดับ149อนุโรมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จะไม่ใช่จักดับมีไหมวิจาชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิัชรณ์เคยดับปัจจณีกัโอกาส150อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่เคยดับละ ปัจจณีกะปุก ค, คโลกา151อยนุรมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จากไม่ดับ บุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาตสภูมิและอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่า น, นั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิตนะัชชาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่เคยดับ152ออนุโลมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและสัญญาขันก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จากดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับ แต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังปณิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและเวทนาขันก็ไม่เคยดับนิโรธวานจบ